ตอนที่สามไม่ใช่นางเยี่ยยาส่งเสื้อตัวนอกคืนให้เขาหลินเซินเหลือบมองแวบหนึ่งแต่ไม่รับเจ้าป่วยอยู่ก็คลุมไว้เถอะเยี่ยยวใจสันไหวเล็กน้อยแต่นางก็วางเสื้อตัวนอกลงสายตาพลเหลือไปเห็นจี้หยกที่โผลออกมาจากใต้ผ้ามานถุงหอมที่ถูกกระชากขาดเมื่อวานก็วางอยู่ข้างกันเยี่ยยวรีบหยิบถุงหอมขึ้นมาเมื่อเห็นว่ากระดิ่งลมข้างในยังอยู่ก็รอบถอนหายใจอย่างโล่งอกก่อนจะผูกถุงหอมกลับคืนที่เอว ส่วนจี้หยกนั่นเป็นของเซี่ยชิงจือหากไม่ใช่เพราะสิ่งนี้นางก็คงไม่ต้องมาเผชิญเพราะกรรมเช่นนี้เมื่อคิดถึงตรงนี้เยี่ยวยาก็รู้สึกโกรธขึ้นมานางหยิบจี้หยกยัดใส่หมัดของหลินเซินของน้องหญิงเปียกของเจ้าคืนที่นางไปเสียหลินเซินจำจี้หยกได้ทันทีและรู้สึกสงสยัยจี้หยกนี้มาอยู่ที่เจ้าได้อย่างไรสายตาของเขาเหลือบมองถุงหอมที่เอวของเยี่ยวยาวโดยสัญชาตญาณแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เมื่อวานนางนัดข่าออกไปร้องร้องร้องให้จะให้ข่าช่วยแต่ข่าไม่ตกลงตอนจะกลับนางก็ทําจี้หยกนี้ตกไว้น้ําเสียงของเยี่เยาเจือไปด้วยความโกรธและเย็นชาลินเซอร์นึกถึงตอนที่เซียชิงจือร้องให้ศพล่ายหวังเฟยเมื่อวันรวมถึงคําพูดเหล่านั้นของหวังเฟยในแววตาของเขาพลันพลาดพานความรู้สึกผิดเจ้ากลับไปก็คืนให้นางด้วยแล้วกันเย่เยาสะบัดหน้าหนีไปนั่งอีกฝั่งด้วยความแงงงลินเซอร์ไร้คาพูดของเย่ยพลางเก็บจี้หยกไว้เขาแอบชำเลืองมองนางเห็นนางทําหน้า มุทาวสีหน้ายังคงซีเซียจากอาการป่วยเขาอดไม่ได้ที่จะถามไข้ลดหรือยังเย่เยาฮึดฮัดไม่ต้องมาสนใจข้าหลินเซินทั้งสองคนนั่งล้อมกองไฟโดยไม่พูดจากันบรรยากาศดูอึดอัดเป็นพิเศษเขานึกถึงคำพูดของหวางเฟยที่บอกว่าไม่ว่าอย่างไรในภายหน้าหลินเซินต้องรับเสียชิงจือเป็นชายารองหักเย่เยารู้เรื่องนี้เขานังคงจะโกรธยิ่งกว่าเดิมกระมัง หากนางคือเด็กหญิงตัวน้อยที่ช่วยชีวิตเขาไว้เมื่อสิบปีก่อนจริงๆเช่นนั้นเขาก็ยิ่งไม่มีทางแต่งเสี้ยชิงจือเข้ามาอีกเด็ดขาดไม่มีวันแม้หลิงเซินจะคิดเช่นนั้นแต่ในใจก็ยังคงรู้สึกผิดจึงพยายามหาเรื่องคุยเพื่ออย่างเชิงเจ้าเสื้อผ้าขาดหมดแล้วกลับไปค่าจะส่งชุดใหม่ไปให้ที่จวนกัวกงยี่ยาสังเกตเห็นตั้งแต่ครู่ก่อนแล้วว่าชายกระโปรงถูกฉีกเป็นรอยแยกขนาดใหญ่ทว่ายังพอใส่ได้อยู่ แต่ในใจนางกลับยิ่งขุนเคืองจึงตอบกลับไปว่าไม่จําเป็นจนกัวกลมไม่ขาดแคลนเสื้อผ้าแค่ชุดสองชุดหรอกหลินเซินเอาเถอะเขายอมแพ้เขาหยิบน่องไก่ป่าย่างออกจากตะแกงแล้วส่งให้นางโชคดีที่เยี่ยาไม่ได้ปฏิเสธนางหิวมากจริงๆจึงกับกินคำโตอย่างอร่อยอ่อยหลินเซินเห็นดังนั้นก็เบาใจลงบ้างก่อนจะอดใจไม่ไหวลองอย่างเชิงอีกครั้งจะไม่กลัวเลยหรือตอนเด็กๆเคยมาที่ป่ากเขาเช่นนี้บ้างหรือไม่ เยี่ยวาวถลึงตาใสเขายัางไม่สบอารมณ์ข้าเป็นถึงบุตรสาวเอกของจวนกัวกงปกติไม่ออกนอกประตูจวนจะมาที่ปากเขาเช่นนี้ได้อย่างไรหลินเซินชะงักไปนในแววตาฉายชัดถึงความผิดหวังอย่างรุนแรงนั่นสีแ น, นางเป็นถึงยอดหญิงผู้สูงสัก์อันดับหนึ่งของเมืองหลวงไปที่ใดล้วนมีคนห้อมล้อมหน้าหลังนางจะวิ่งมาที่ปากเขาเพียงลําพังได้อย่างไรทุกอย่างเป็นเพียงเรื่องบังเอิญบางทีนางอาจจะใช้ชาติหรือเครื่องหอมชนิดเดียวกับเด็กหญิงคนนั้นก็เท่านั้นเองไม่ใช่นาง หลินเซินก้มนาลงเพื่อปกปิดความผิดหวังบนใบหน้าเย่เยาไม่ได้สังเกตเห็นนางยังคงโกรธอยู่ครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณน้องหญิงเปี่ยวผู้น่ารักของเจ้าข้าถึงได้ถูกจับตัวมาที่นี่หลินเซินเงยหน้าขึ้นอย่างประหลาดใจอะไรนะเกี่ยวอะไรกับชิงจือเห็นชัดๆว่าตอนเสี้ยชิงจือกลับไปนางร้องให้อย่างหนักหวังเฟยเองก็บอกว่าเย่เยารังแกเสี้ยชิงจือทํำไมเรื่องราวกลับตลบตัดเช่นนี้เล่าการที่เย่เยาถูกสายลับจับจ้องจนลักพาตัวมาที่นี่กลับเกี่ยวข้องกับนางนั้นหรือ เย่เยาแค้นเสียงก็พระนางทาจี้ยกตกไว้ค่าหวังดีเก็บขึ้นมาแต่กลับถูกสายรับนั่นเห็นเข้าพอดีมันเลยเข้าใจผิดว่าข้าคือเซี่ยชิงจือจึงจับข้ามาเป็นตัวประกันเพื่อใช้หลบหนีออกนอกด่านจิง้งอันกลับไปยังตันตีหลินเซินถึงบางอ้อที่แท้เจ้าก็ถูกพวกมันจับจ้องเพราะเหตุนี้เองถ้าว่าเขาก็ขมวดคิ้วพลางจับจุดสําคัญได้แต่สายรับตันตีจะรู้จักชิงจือได้อย่างไรเยี่เยา สาเหตุที่แท้จริงที่ครอบครัวเสนาบดีกรมกลาโหมถูกฆ่าล้างตระกูลเมื่อสิบปีก่อนเสี่ยชิงจือคงไม่ได้บอกความจริงกับหลินเซินแน่หากนางบอกเขาตอนนี้โดยไม่มีหลักฐานหลินเซินคงไม่เชื่อคำพูดนางไม่แน่ว่าเขาอาจจะคิดกลับกันว่าเย่เยาจงใจใส่ร้ายป้ายสีน้องหญิงเปี่ยวแสนดีของเขาเรื่องราวจะยิ่งบานปลายไปใหญ่ชาติก่อนเย่เยาได้รับความทุกข์ทรมานจากการถูกเขาเข้าใจผิดและปรักประมามากพอล้ชาตินี้จะไม่มีวัญหาเรื่องใส่ตัวเช่นนั้นอีกเด็ดขาดนางจึงตอบไปสั้นๆว่า ข้าจะไปรู้ได้อย่างไรสายลับนั้นคาดคั้นถามเรื่องความเคลื่อนไหวทางการทหารของจวนซ้นอองข้าถึงได้รู้ว่ามันจำคนผิดหลินเซินพันนึกขึ้นได้สรุปคือเมื่อวานเจ้าไปที่จวนอองเพื่อจะเอาจี้หยกไปคืนให้ชิงจือเยีย่ยยาวเดิมทีนางไม่อยากให้เขารู้เรื่องนี้แต่ดูเหมือนตอนนี้จะปิดบังไม่ได้แล้วจึงได้แต่พูดความจริง ข้าถูกขวางไว้ที่หน้าประตูไม่ได้เจอใครเลยดังนั้นคงต้องรบกวนซื้อจือช่วยนำไปคืนให้น้องหญิงเปียวของเจ้าด้วยละกันลินเซินดีใจขึ้นมาถ้าอย่างนั้นทว่าคำพูดเพิ่งหลุดจากปากเขาก็ชะงักไปสายตามองไปที่เอวของนางอีกครั้งมีเพียงถุงหอมใบเดียวไม่มีกระดิ่งลมแสงสว่างในดวงตาของเขาดับบูบลงทันทีไม่ใช่นางเยี่ยยลินเซินสูดลมหายใจเข้าลึกๆพางเอ่ยด้วยน้าเสียงขมขื่น ที่จะไปจวนอ๋องก็เพื่อเอาจี้หยกไปคืนให้ชิงจือเท่านั้นหรือเยี่เยาพยักหน้าใช่แววตาของหลินเซินใช้ความผิดหวังอีกครั้งไม่ใช่เพื่อเขาเมื่อคิดได้เช่นนี้เขาก็รู้สึกอึดอัดในอกอย่างบอกไม่ถูกไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็รู้สึกไม่สบอารมณ์เย่เยาทานจนอิ่มและเริ่มมีแรงกลับมาบ้างแต่ร่างกายยังคงอ่อนเพลียนางลองแต่หน้าผากตัวเองดูก็พบว่ายังร้อนรุ่มดูถ้าต้องรีบกลับไปให้ท่านหมอหลี่ตรวจดูอาการเสียหน่อย ฝนหยุดตกแล้วท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นบ้างเยี่เยาพยายามพยุงตัวลุกขึ้นพวกเราเร่งกลับกันเถอรมิเช่นนั้นนั่งถูกจับตัวมาหายไปทั้งคืนคนในจวนกัวกงคงจะเป็นห่วงกันแทบแย่ทว่าวลินเซิร์นกลับเอ่ยขึ้นด้วยความหงุดหงิดจะรีบไปไหนไม่อยากอยู่กับข้าขนาดนั้นเชียวหรือเย่เยาเบิกตากว้างเจ้าหมอนี่เป็นโรคประสาทกำเริบอีกแล้วหรือคราวนี้เป็นเพราะอะไรอีกละ่ะนางยังไม่ได้ล่วงเกินเขาเลยนะ ตอนนี้นางรู้สึกหัวหนักเท้าเบาไม่มีแรงจะโต้เถียงกับเขาจึงครั้นจะสนใจพยายามพยุงตัวลุกขึ้นเกาะเสาเดินออกไปเองมีหรือที่หลิงเซินจะปล่อยนางไปยี่เยาเดินโซเซไปได้ไม่กี่ก้าวก็เกือบจะล้มหลิงเซินรีบยื่นมือมาประคองไว้แต่ปากก็ยังคงพูดจามไม่น่าฟังอย่างไรข้าก็เป็นว่าที่สามีของเจ้าเหตุใดถึงได้ทําท่ารังเกียจข้าขนาดนี้ท่านยี่เยารู้สึกโกรธจนเลือดขึ้นหน้าทําให้อาการเวียนหัวรุนแรงขึ้น หลิงเซินเองก็เริ่มลนลานรีพูดจาดีๆนิสัยของเจ้านี่เปลี่ยนบ้าไม่ได้หรือเย่เยาทนฟังไม่ไหวผลักเขาออกเต็มแรงไม่ชอบแล้วจะมาแต่งกับข้าทำไมไปถอนมั่นเสียสิหลิงเซินเขาอยากจะตกปากตัวเองสักที่อยู่ดีๆทำไมถึงพูดจาเช่นนั้นออกไปได้เย่เยากโกรธจนตัวสันนางไม่อยากถูกเขาทำให้โมโหโจนสลบไปจึงหอบหายใจพลางเดินโซเซออกจากวัดร้างหลิงเซินรีบตามไปติดติด หลังฝนตกหนักมีหมอกหนาปกคลุมไปทั่วทันทีที่ก้าวพ้นประตูวัดเหล่าองค์รักและทหารฝีมือดีจํานวนมากก็พุ่งออกมาจากป่าไผ่หลินเซินรีบการแขนบังหน้าเยีเยยาไว้ทันทีทว่ากลับถูกเยี่ยยาวดึงแขนไว้เขาหันไปเห็นนางมองข้ามไหลเข้าไปด้วยสีหน้าดีใจสุดขีดก่อนจะวิ่งโผล่ไปข้างหน้าท่านพ่อพี่ใหญ่พี่สไพล์หลินเซินชะงักไปครู่หนึ่งถึงได้มองเห็นชัดเจนว่าท่ามกลางสายหมอกหนานั้นคือคนของตระกูลเยี่ย